อันนี้เข้าสู่ภาวะปกติวัฒนธรรมเขาขอความร่วมมือร่วมมือกับเขาหน่อยก็มีประโยชน์กันฟังเรื่องหลวงปู่ ม, มั่นพวกที่เข้าคอสยกมือหน่อย พวกรถตู้มาจากไหนรถตู้มีไหมวันนี้มาจากไหนกันใหญ่ตอตอนอุบลไกลทั้งคู่เลยใจก็ไกลธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นนะไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไหนเลยไม่ได้อยู่ที่วัดไหนด้วยนะธรรมะอยู่กับตัวเราเอง อยู่ที่ใจเราเท่านั้นถ้าเราเปิดใจให้มาเราก็รับธรรมะได้ถ้าใจเราปิดนะนรับไม่ได้ใจที่ปิดคือใจที่หลงอยู่ในโลกของความคิดความเห็นชิดเอาใจที่เปิดคือเปิดใจยอมรับความจริงธรรมะเป็นความจริงสันสัจจะยอมรับความจริงได้ไหมว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อยอมรับความจริงได้ไหมว่าเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักต้องเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจอยอมรับได้ไหมว่ามีความอยากขึ้นมาทีไรก็มีความทุกข์ทุกทีรู้สึกบ้างไหมในโลกนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริงมีแต่ความสุขแบบภาพลวงตาหลอกหลอก ดิ้นรนแทบแย่เลยเพื่อหาความสุขแต่ความสุขอยู่แป๊บเดียวก็หายไปแล้วถ้าเราอยากเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจความจริงของชีวิตนี่เองไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเลยแต่ว่ามันยากที่จะยอมรับทำไมยอมรับไม่ได้เพราะมันรักตัวเองคำว่ากูกูนี่แหละตัวหัวโจกเลย คำรักตัวเองก็อยากมีความสุขไม่อยากสูญเสียอยากจะได้มาบางคนได้มาเยอะนะไม่มีความสุขหรอกใครมีเสื้อผ้าเยอะเยอะรู้สึกไหมเวลาจะไปไหนทีนะเลือกคิดล่วงหน้าเป็นวันๆเลยมันสุขตรงไหนวะนะใส่ไปแล้ว นึกว่าชุดนี้เจ๋งแล้วนะแพงด้วยใส่ไปแล้วไม่มีใครมองความสุขที่ต้องอาศัยวัตถุอาศัยคนอื่นอะไรเงี้ยแดิ้นรนหาความสุขหลอกๆ ก, กันไปหลอกตัวเองไม่ใช่ใครเขาหลอกเรารอกนี่เรามาเรียนกรรมฐานเนี่ยเรียนเพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงให้ได้มันเริ่มตั้งแต่ตัวเราไม่มี ตรงนี้แล้ยากที่สุดเลยเพราะมันฝืนความรู้สึกอย่างแรงเนยเพะเรารักตัวเองที่สุดนะที่มาบอกว่าตัวเราไม่มีเราก็ต้องมาหัดภาวนานะจเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าบอกแล้ววันเน่ใจมันจะเห็นความจริงมันจะเริ่มจากเห็นความจริงก่อนนะว่าเฮ้ยตัวเราไม่มีจริง ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราบังคับมันไม่ได้สั่งไม่ให้แก่มันก็แก่สั่งไม่ให้เจ็บมันก็เจ็บสั่งไม่ให้ตายมันก็ตายจิตใจนี้เราก็บังคับมันไม่ได้สั่งให้มีแต่ความสุขมันก็ชอบมีความทุกข์สั่งว่าอย่ามีความทุกข์นะความทุกข์ก็ยังมาควบคุมไม่ได้แล้วความอยากของเราก็เกิดตลอดเวลา เกิดมากเท่าไหร่นะมันก็โอกาสที่จะตอบสนองความอยากมันก็ยากเหน็ดเหนื่อยชีวิตเราเหน็ดเหนื่อยเพราะตัวตัณหาเพราะความอยากนี่แหละอยากโน้นอยากนี้ก็เหนื่อยดิ้นรนที่ถูกเขาหลอกหลอกให้กู้เงินมีบัตรเครดิตบัตรโน้นบัตรนี้เยอะแย่ไปหมดเลยได้บัตรมาก็อิม่มอิ่มใจนะภูมิใจ เราเป็นคนมีเครดิต ด, ดีโง่นั่นแหละนะพอรู้สึกว่าจ่ายเงินง่ายก็จ่ายเลยเพลินตอนใบแจ้งหนี้มานะก็หน้ามืดทำไงดีไปกู้ที่อื่นมาใช้หนี้ต่อความอยากยิ่งอยากมากก็ยิ่งดิ้นรนมากยิ่งดิ้นรนมากก็ยิ่งทุกมากอยอมรับความจริงได้ไหมความจริงเบื้องต้นเลยเราไม่มี เราอยู่ชั่วคราวเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้กว่ามีเราเนี่ยมันยากนะกว่าจะยอมรับได้เราเรียนรู้ความจริงของร่างกายจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราเรียนรู้ความจริงของจิตใจรู้ว่าจิตใจก็เป็นของควบคุมบังคับไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห น, นื่อยมากในการที่จะหาความสุขมาให้จิตใจ ที่จริงแล้วเราบอกเรารักร่างกายนะจริงๆแล้วเรารักใจของเรามากเลยอย่างเราต้องวิ่งไปกินของอร่อยๆนะร่างกายต้องการไหมร่างกายไม่ได้ต้องการตัวที่ต้องการของอร่อยคือจิตใจร่างกายต้องการอาหารเท่านั้นแต่จิตใจต้องการอนะนุ่นต้องการอันนี้นะ เป็นเรื่องใจมันอยากทั้งนั้นเราเลยเน็ดเหนื่อยเกินความเป็นจริงมาเรียนรู้นะจิตใจเราเรียกเมื่อก่อนมีเพลงนะบอกถมเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มใครเคยได้ยินมัน้งถ้าได้ยินต้องแก่เพลงสมัยใหม่หลวงพ่อไม่เคยฟังคุณแม่ยิ้มเลยบได้ยินแล้วก็แก่ เนี่ยใจมันหิวนะนก็ดิ้นโลแสวงหาไปเรื่อยๆเหน็ดเหนื่อยมาเรียนรู้ความจริงของมันสิใช่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกไปตอบสนองมันมากนะมันก็ยิ่งหิวยิ่งให้อาหารมันมันยิ่งหิวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยตันหาเหมือนมาหาสมุทรเลยใส่น้ำลงไปแนละ้วเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเนี่ยมาดู ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกรักมันมากหวงแหนมันมากตอบสนองมันมากก็ยิ่งเหน็ดเหนื่อยพอเหน็ดเหนื่อยแล้วจิตใจก็เป็นทุกข์อีกแล้วท้อใจเวลาความอยากเกิดก็มีความทุกข์เกิดทุกครั้งที่อยากก็ทุกแล้วนะแล้วถ้าไม่สมอยากนี่ทุกมาก แค่อยากขึ้นมาก็ทุกข์แล้วใจมีภาระ mm. เหน็ดเหนื่อย mm. ดิ้นรนถ้าเราเกิดมาอย่างพวกเราเกิดมานะมันก็เกิดมาด้วยความอยากกนะิเลสตัณหาภา พ, าพเกิดมาเราก็คุ้นเคยอยู่กนะับกิเลสตัณหาเราดูทุกข์ไม่ออกอ่ะถ้าเราภาวนาชนะจนใจมีสมาธิทรงตัวขึ้นมานะอำนาจกิเลสตัณหามันอ่อนลง พอจิเลสตัณหามันมาเนะี่ยมันจะเห็นทุกข์เห็นโทษชัดนะเราะนั้นถ้าใจเราสงบใจเราตั้งมั่นจริงๆนะอย่างความอยากผ่านเข้ามาในใจเราจะเห็นวนะ่ามันทุกข์แล้แค่อยากก็ทุกข์แล้แต่อย่างพวกเรามันไม่เคยสังเกตใจนะความอยากมายังไม่ทุกข์นะถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์มัคนละระดับกันนะใครมาฝึกใจเราดูลงไปเรื่อย ทุกครั้งที่เกิดความอยากเนะียใจจะดิ้นนะจะสมอยากหรือไม่สมอยากก็ทุกล่วงหน้าไว้ก่อนแนละ้ะอย่างอยากจีบสาวสักคนนะก็จะต้องคิดแล้วว่าจะทํายังไงจะจีบเขาได้จะหลอกเขาได้เราเนี่ยเลวสารพัดเลยนะรูปไม่หลอ่อพ่อไม่รวยะความรู้ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนะอยากจีบคุณหนูอย่างเงี้ยก็ อยากอะไรที่ไกลความจริงมากก็ทุกมากนะถ้าอยากอะไรที่สมจริงก็ทุกน้อยหน่อยถ้าไม่มีความอยากไม่มีความทุกเนี่ยค่อยๆสังเกตใจของเราไปไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกดูแค่ว่ามันอยากอยากขึ้นมามันทุกมันอยากขึ้นมาแล้วมันทุกค่อยดูไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอแล้วตรงที่อยากก็คือจิตมีราคะ เราให้ก็เห็นมันอยู่ชัวคราวมันก็ดับไปก็กลายเป็นจิตไม่มีราคะแค่นี้ทํากรรมฐานละนีสติปัฏฐานนะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมีราคารู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคะดูไปตัวอยากนะั่นแหละตัวราคะดูไปมันของไม่คงที่นะเกิดขึ้นมาแล้วก็บีบคั้นจิตใจให้ไม่มีความสุข ให้กันบ้านแต่เป็นนี้คอยสังเกต ใ, ใจตัวเองเวลามีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็สังเกตตามทีหลังว่าการที่ใจมีความอยากมาบีบคั้นเน่ใจมนดิ้นรนยังไงปนะรุงแต่งยังไงค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนไปสุดท้ายปัญญามันค่อยแก่กล้าขึ้นนะใจนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษอะไรหรอก เรารักเราห่วงแหนดิ้นรนเพื่อตอบสนองอยากให้ใจมีความสุขอย่างวิ่งไปหาของอร่อยกินเนี้ยเพื่อให้ใจมีความสุขนะไม่ใช่ให้ร่างกายมีความสุขอย่างบางคนชอบกินเผ็ดเผ็ดเนีเผ็ดแบบจัดๆเลยนะกินแล้วน้ําตาไหลอะไรเงี้ยถามว่าร่างกายมีความสุขไหมต้องกินของที่เผ็ดขนาดนั้นอนะ่ะไม่ได้มีความสุขหรอกนะลําบากตั้งแต่ลิ้นยันทวาวรหนักเลย ร่างกายมีโน่ลำบากไวไ้ใจนี่มันชอบไปเผ็ดๆอะ่ะเนี่ยมันหาความทุกข์มาใส่ร่างกายไม่ได้สนใจอะไรสิ่งเหล่านี้ลองดูค่อยไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปร่างกายนี้ถูกกดฉี่นะน่าสงสารถูกใช้งานหนักต่อไปก็แก่ก็เจ็บก็ตายพอตายไปจิมก็ทิ้งเอามันไม่เอาด้วยละ เอาไว้ตอบสนองตันหาของมันไม่ไหวมันก็ทิ้งเลยจิตดวงแล้วมันก็ดับไปไ่เกิดจิตในภพใหม่สืบทอดสันดานทั้งดีทั้งชั่วไปมีมรดกคือกรรมมีบาก ร, รมติดตัวไปไ่เกิดในภพใหม่ไม่ใช่จิตดวงเดิมนะจิตดวงใหม่จิตนีดด้เกิดดับเกิดดับเกิดดับทั้งวันทั้งคืน ดูโอ้ทำไมภาวนากันยากนักนอะทั้งที่มันเป็นความจริงมันยากกะตรงที่ยอมรับความจริงไม่ได้อย่างเราแปลงฟันอยู่เนะเห็นมือไม่ใช่เราคนน้องให้นะมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะอยู่ที่ทำงานสงสัยว่าหลวงพ่อภาวนาทำยังไงบอกพุโทโธไปหายใจไปสิลองดู มันทำอยู่ไม่กี่วันนะจิตนรวมลงไปแล้วไม่เห็นหัวกระโหลกตัวเองเห็นกระดูกเห็นอะไรเงี้ยนะโอ้ยไม่เอาแล้วเรียนกรรมฐานอะไรอย่างนี้นะทรมานมากเลยว่าทําไมตัวเราหายไปรักตัวเองมากมาบอกหลวงพ่อว่ามันไม่เอาแล้วไม่ภาวนาแล้วเราก็เออสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนาะ มันภาวนามาได้ดีแล้วมันก็เลิกเพราะมันเริ่มเห็นความจริงที่ยอมรับไม่ได้ใหม่ๆ ม, มันยอมรับไม่ได้ทุกคนแหละดูบ่อยๆดูเยินใจมันยอมรับความจริงได้ตรงที่ใจมันยอมรับความจริงได้นั่นแหละธรรมะจะมาสู่ใจเราใจยังยอมรับความจริงไม่ได้ก็คือใจปฏิเสธธรรมะ เดี๋ค่อยๆนะรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจเพราะสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือตัวกูตัวกูเนี่ยรักที่สุดรองลงไปก็ของกูนี่มาเรียนรู้ไปตัวกูของกูมีแต่ตัวทุกข์เนาะร่างกายนี่ก็เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษจิตใจนี่ก็มีแต่ภาระทั้งวันทั้งคืน แค่อยากใส่บาตรก็เป็นภาระแล้วอยากมาฟังหลวงพ่อเทศมีภาระไหมตื่นมาตีเท่าไหร่ใครตื่นตีห้าใครตื่นก่อนนั้นหไหมภาระเยอะพวกตื่นตีห้าพวกไม่ได้อาบน้ำตื่นปุ๊บก็รีบมาเลยนะเอาปฏิเสธเนาะวกอาบเพราะอยู่ใกล้ๆเนี่ยตอนเนี้ย อยู่ใกล้อาบทั น, นอยู่กรุงเทพนะตลีตาลานตื่นตีห้ายังไม่ทันนะเนี่ยคอยรู้ความจริงลงไปนะคอยดูไปแค่รู้สึกอ่ะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจเรื่อยๆไปเห็นความจริงทีแรกใจยังไม่ออมรับ ใ, ใจก็จะดิ้นดิ้น ด, นดินใหญ่เลยไม่อยากเห็นความจริงธรรมะเป็นความจริง ทำไมคนน้อยคนนะที่จะเข้าถึงธรรมะเพราะคนส่วนใหญ่ยอมรับความจริงไม่ได้อย่างถ้าเป็นลัทธิศาสนาที่บอกว่าทำอย่างเนี้ยแล้วพระเจ้าโปรดปรานเดี๋ยวพระเจ้าให้รางวัลนะอย่างนี้ชอบทำอะไรที่คอยประจบพระเจ้าไปเรื่อยๆเนี่ยพระเจ้าพอใจให้รางวัลอย่างนี้ง่ายเพราะอะไรเพราะมันสนองกิเลส พระเจ้าให้รางวัลนะเรายิ่งมีความสุขยิ่งมีความสบายมีทรัพ์สมบัติในสวรรค์อะไรเงี้ยมีแต่จะมีมีแต่จะได้มันตอบสนองกิเลสอยู่นะแต่พระพุทธเจ้าเราไม่ตามใจเราชี้ให้เห็นความจริงเลยว่าร่างกายนี้อยู่ช่วคราวก็แตกสลายความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายอยู่ช่วคราวแล้วก็แตกสลาย กุศลหรืออกุศลทั้งหลายอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายเพราะฉะนั้นท่านไม่เอากะทั้งดีะถึงจุดสุดท้ายปล่อยวางกระทั่งความดีพ้นเหนือเหนือดีเหนือชั่วขึ้นไปอีกเพราะเห็นความจริงเนี่ยยอมรับยากแต่ลัที่อื่นๆเนี่ยยอมรับง่ายเพราะว่ามันสนองนิสนองกิเลสความต้องการของเราจะได้มีชีวิตที่อมาตะเ คนที่อยากมีชีวิตอมตะเนี่ยนะคือคนที่ไม่เห็นทุกข์ถ้าคนที่เห็นทุกข์เราไม่ได้อยากมีชีวิตอมตะหรอกนะแต่ก็ไม่ได้เกลียดชีวิตใจเบนกลางอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายนะเวลาท่านภาวนาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านไม่ได้อยากมีอายุยืนยาวนะแต่ท่านก็ไม่ได้อยากตายเร็วๆนะเพราะร่างกายเนี่ยมันเป็นวิบาก ไม่ใช่ของท่านอ่ะท่ายัางมีอยู่ก็เอาไว้ใช้ทําประโยชน์ไปประโยชน์ตนเองเสร็จแล้วก็ทําประโยชน์คนอื่นไปแล้วเวลานึกถึงนิพพานวาระสุดท้ายจะนึกถึงอย่างราเริงใจคล้ายๆว่ามีร่างกายมีชีวิตอยู่ยังมีภาระอยู่เวลานึกถึง การปรินิพพานนะเนยนึกถึงความสิ้นภาระขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระมนเหมือนคนที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตยาวนานนะทำงานหนักอย่างยิ่งเลยแล้วก็งานนั้นประสบความสําเร็จแล้วรอรางวัล น, นั่งรอผลตอบแทนคือพรินิพพาน ใ, นใจจะรู้สึกอย่างนั้นนะครรอเวลารับรางวัล แต่ระหว่างที่รอรับรางวัล น, นี้ก็มีความสุขแต่ขันนะั้มันก็ทุกของขันอยู่นั่นแนหะเพราะนนถ้าภาวนาจริงจังนะเห็นความจริงถ่องแท้แล้วเนี่ยไม่เสียดายกระทั่งชีวิตนี้แล้วก็ไม่ได้เกลียดชังชีวิตนี้ด้วยบางคนแฟนทิ้งนะมาฆ่าตัวตายบอกว่าเนี่ยชีวิตนี้เป็นทุกข์ไม่พอใจทาไมต้องหนีความทุกข์ด้วยก็เพราะอยาก ให้มีความสุขอยากจะลืมทุกอย่างถูกแฟนทิ้งอยากจะลืมไปค่าตัวตายอย่าค่าตัวตายนะพวกเราค่าตัวตายไม่ได้พ้นทุกข์หรอกเป็นคนเนี่ยอกหักนะปีสองปีก็หายไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีหรอกทุกตลอดชาติไม่มีสักปีสองปีก็หายแนละ้วที่อกหักนะถ้าอกหกักครั้งที่สองก็เหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต ปีเดียวก็หายครั้งที่สามเหลือหกเดือนอะไรเงี้ยพอชำนาญขึ้นนะเช้าอกหักสายหายแล้วนะ อ, ยอยู่กับโลกนะมีความทุกข์ขึ้นมานะัมันไม่นานแต่พวกไปค่าตัวตายนะมันทุกข์นานนะมีคนหนึ่งนะเขาอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยะเขาเห็น ผู้หญิงนะั้นเดินร้องไห้ผ่านหน้าบ้านไปตอนดึกดึกนอนอยู่ในบ้านมองออกไปเห็นผู้หญิงเดินเท้ามันลอยเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่งเดินอยู่นั้นร้องไห้ไปเลยเราโอ้ยอย่างนี้มันทุกข์อะไรมันนักหนาวะ ตอนเช้าคนข้างบ้านเขาก็มาบอกมีผู้หญิงผูกขอตายไปกู้เงินมาซื้อบ้านแล้วก็สามีทวงแล้วว่าไม่ไหวหรอกส่งไม่ไหวก็ไม่ยอมเชื่อนะอยากได้เนี่ยความอยากมันใหญ่กว่าความสามารถอยากได้บ้านโตๆซื้อบ้านเกินฐานะส่งไม่ไหวเงินที่เก็บเพื่ไปดาวหมดแล้วคล้ายหมดตัวแล้วธนาคารก็จะมายึดบ้านละ สามีก็โกรธบอกว่าพูดแล้วก็ไม่เชื่อห้ามก็ไม่ฟังนะสามีทิ้งไปเลยไอ้คนนี้หมดทุกอย่างแล้วทรัพย์สินเงินทองนะดีไม่ดีถูกฟ้องล้มละลายถูกอะไรวุ่นวายมากเลยสามีก็ไม่อยู่หนีไปแล้วรู้สึกชีวิตนี้สูญเสียนะจมอยู่ในความทุกข์แสนสาหัสทางออกก็คือผูกคอตายคิดว่าผูกคอตายแล้วจะลืม เป็นผีนะอายุมันยืนกว่าเป็นคนอีกแล้วมันจะวนลูบอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำอย่างเงี้ยนะต้องผูกคอตายซ้ําแล้วซ้ําอีกนะนบพบนับชาติไม่ท้วนเลยเนี่ยเป็นผีนะถึงเวลาก็ต้องผูกคออีกแล้วซ้ําซากอยู่งนะี้ยงั้นอย่างพวกเรานะถ้ามีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นนะอดทนนะตั้งสติให้ดีคิดว่า ตอนที่เราเกิดมาเรามาตัวเปล่าๆตอนนี้เท่าทุนเหลือแต่ตัวเปล่าๆอย่างน้อยก็ยังมีเสื้อผ้าใส่อยู่ห น, ห, หนึ่งชุดเนียนังมีมากกว่าตอนที่เกิดมายันถึงสูญเสียทุกอย่างนะก็ยังมากก็เท่าทุนไม่ได้สูญเสียหมดเลยยังมีชีวิตมีร่างกายมีจิตใจอยู่ เดีย๋ยวพอยอมรับความจริงได้ถึงความสูญเสียได้นะใจมันก็มีความเข้มแข็งขึ้นมามันก็ค่อยๆ ค, คิดไปจะแก้ปัญหาชีวิตยังไงไม่นานนะเดี๋ยวความทุกข์อันนี้นก็ผ่านไปเจะไปฆ่าตัวตายโอ้โหไม่รู้มันจะทุกข์กี่ร้อยกี่พันปีนะเพราะฉนั้นห้ามฆ่าตัวตายนะแล้วก็อย่าไปทําแท้งด้วยทําแทงก็คือฆ่าฆ่ามนุษย์นั่นแหละไม่ทํา ถ้าเคยทําแล้วนะก็ตั้งใจว่าไม่ทําอีกพยายามรักษาศีลไว้ชีวิตจะได้มีความสุขได้เรียนรู้ความจริงธรรมะอยู่รอบๆตัวเรานี่เองถ้าพูดให้ถึงแกน่นก็คือธรรมะอยู่ที่ตัวเรานี่เองที่กายที่ใจนี่เองดูลงไปเลยตัวกลัมันจริงหรือเปล่าของกูจริงหรือเปล่าบางคนรวยนะ เก็บเงินไว้เยอะเลยเป็นพันพันล้านนะได้ใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้เก็บเก็บไว้หาเงินไว้นะบางคนสร้างบ้านเพิ่มเลยอย่างอาจารย์บ้านใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าโบสถ์หลวงพ่ออีกนะ <c oughs> แกจะอยู่กี่คนนะอยู่กี่คนนะ้พาละทั้งนั้นเลย <c oughs> เนี่ยชาวโลกก็จะรู้สึกว่ามีอะไรเยอะๆแล้วดีนะมีของเยอะๆแล้วดีรวยๆแล้วดีอะไร ที่จริงมีพอดีดีที่สุดถ้ามีต่ำกว่าความพอดีนะก็ลำบากมีแค่พอดีพอดีสบายถ้ามีความทุกข์ขึ้นมานะอดทนต่อสู้ไปเรียนรู้ตัวเองไปความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุดในการสอนกรรมฐานเวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยใจเรามันจะดิ้นรนนะ กินข้าวก็ไม่ได้นะตั้งกายไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเรื่องอกหักอะ่ะแต่ร่างกายเนี่ยเหมือนไม่ได้กินข้าวกินข้าวไม่ลง้อมเลยนะ ม, มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปมีความสุขไม่ต้องห่วงลูกหลานจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ นี่เราคิดว่ามีเยอะๆเราจะมีความสุขไม่จริงยิ่งมีมากก็ยิ่งมีห่วงมากมีภาระทางใจมากเครื่องผลุงพลังเยอะอย่างบางคนจะไปภาวนาตามวัดนะไปไม่ได้หมาเนี่ยหรือแมวที่เลี้ยงไว้ไม่มีคนเลี้ยงะต้องอยู่เฝ้าแมวเนี่ยพวกทาตแมวเยอะนะ ไปวัดก็ไปไม่ได้พวงแมวแมวของกนะูความจริงแมวมันก็คิดนะลูกน้องกูแมวมันก็เอากูเป็นตัวตั้งนะเราเป็นเจ้าของแมวเราก็เอาตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วไม่รู้ใครฉลาดกว่าใครอนะ่ะเนาะ ภาวนาไปนะเรียนรู้ความจริงของชีวิตไปทุกอย่างที่เราดิ้นรนแสวแงหามาเนี่ยยกเว้นธรรมะนะล้วนแต่เป็นความว่างเปล่ามีเงินมากๆถึงวันหนึ่งก็ไม่เป็นของเรามีบ้านหรูๆวันหนึ่งก็ไม่เป็นของเรามีครอบครัวอบอุน่นวันหนึ่งครอบครัวนี้ก็หายไป พวกเราเริ่มรู้รสชาตินะหลวงพ่อเกิดมาในครอบครัวเรีครอบครัวขยายปู่ยา่าตายายญาติพี่น้องรูอ้อยู่ด้วยกันเยอะแยะเลยเต็มบ้านเลยอยู่กันเป็นหลักสิบอะอยู่ไปอยู่ไปนะเห็นคนยุคนี้เหลือคนเดียวสองคนชีวิตเงียบเหงาว้าเวน่าสงสาร คนแต่ก่อนไม่ค่อยมีกินมีใช้นะของกินของใช้อะไรมันไม่ได้หลากหลายถ้ายุคนี้ยุคนี้ของกินของใช้อะไรเยอะเลยข้อมูลข่าวสารเยอะมันมีความสุขจริงเนะคนยุคนี้เหงากว่าคนยุคหลวงพ่อนะสมัยหลวงพ่อมีคนยี่สิบล้านไม่รู้สึกเหงาเลย ยูของเราเนี่ยคนเจ็ดสิบแปดสิบล้านเมืองจีนมีคนเป็นพันล้านนึงวกับรู้สึกเหงาจี่จริ ง, โ ล, งลโลกนี้ว่างเปล่าค่อยๆดูไปโลกนี้ว่างเปล่าสิ่งที่เคยมีวันนี้วันหนึ่งก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นกรรมกับผลของกรรมนะที่จะเหลืออยู่ ทำกรรมชั่วไว้ผลของมันเหลืออยู่ทำกรรมดีไว้ผลของมันเหลืออยู่ภาวนาผลของมันเหลืออยู่นอกนั้นไม่อยู่อยู่ชั่วคราวไม่อย่าหลงโลกมากนักนะเมื่อวานนี้อาจารย์อายังปรารบให้หลวงพ่อฟังว่าคนรุ่นนิ่มจะภาวนายากนะ ข้อมูลข่าวสารก็เยอะวัตถุสิ่งของอะไรก็เยอะสิ่งหลอกลวงเนะี่ยเยอะแยะไปหมดเลยพอรู้ทันอันนี้ว่างอันนี้นะยังมีของอื่นอีกหลายร้อยอันที่ยังรู้ไม่ทันเยอะแยะไปหมดไม่ต้องไปตามรู้ทันทั่วโลกหรอกนรู้ลงที่จิตดวงเดียวนี่เองถ้าจิตเห็นว่าจิตอยากจิตยึดอะไรแล้วจิตก็ทุกข์นะมันก็เลิกไปหมดอะ่ะ ของที่มาเรา้าความรู้สึกของเราจะกี่หมื่นกี่แสนชนิดนะถ้าจิตมันไม่เอาดวงเดียวกี่หมื่นกี่แสนชนิดก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าจิตมันโง่ก็ดิ้นรนไปได้วนยะอยากได้น้นอยากได้นี่อยากลองมีลองลอ ง, ลองมีนะเสร็จแล้วก็ว่างเปล่าบางคนถือกระเป๋าใบละล้านนะถือหาสวัรค์วิมานอะไรเงนใบละล้านล้านเลย ถือแล้วก็ห่วงนะกลัวจะกระทบกระทั่งกลัวใครจะมาขโมยถือไปถือไปเห็นคนถือกระเป๋าเหมือนเราเปรียบเลยแต่ของปลอมอือีม่มันเจ็บใจรู้สิคนเก็ใช้ของปลอมนะเราใช้ของจริงนี่เจ็บใจเลยนะอนนกิเลสโอ้ยอย่าหลงโลกเนะพยายามเรียนรู้ความจริง ถ้ารู้ความจริงทั้งโลกไม่ได้เรียนรู้ที่ใจอันเดียวศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ใจนี่เองไปไปกินข้าวไปนี่หมดนะครับ